ธรรมะที่หลวงพ่อบอกใหก้เกินพอนะสำหรับการปฏิบัติเพื่อปลอนทุกข์ถ้าเราจับหลักที่หลวงพ่อบอกให้แม่นๆนะการพาวนาไม่ใช่เรื่องยากไม่เหลือวิสัยเลยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราคนหนึ่งนะจะทำได้ธรรมะมันยากถ้าเราไม่รู้ทางคิดเอาเอง ยากแน่นอนเขาไม่มีทางที่เราจะนึกเอาเองได้เลยเส้นทางอของอริยามรรคเนี่ยต้องฟูมปัญญาระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะค้นพบได้ด้วยตัวเองฟูมปัญญาอย่างพวกเรายัางค้นไม่ได้หาด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องอาศัยฟังคํำสอนของพระพุทธเจ้า หลักการปฏิบัติที่ท่านวางแบบแผนไว้ให้นะมันพอดีพอดีสำหรับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาแ ม, มนุษย์ที่แย่ผิดปกติก็ทำไม่ได้พวกที่ดีเกินไปอย่างพวกหวังพุทธภูมิอนะไรเนี่ยก็ไม่เดินในเส้นทางของอริยมรรคแท้ๆ อ, อ้อมๆไปสร้างบารมีไปแต่ถ้าเราไม่ดีเกินไปไม่ถึงขนาดเป็นพระโพธิสัตว์ไม่เลวเกินไปถึงทำอนันตริยกรรม หรือทำอริยภาวโถดาภาริยะเราก็มีโอกาสออกไปได้ถ้าเรารู้ทางมันมีสองเงื่อนไขเท่านั้นแหละว่าเรารู้ทางไหมถ้าเรารู้ทางแล้วนี่เงื่อนไขที่หนึ่งต้องรู้ทางที่ถูกรู้อะไรถูกอะไรผิดอันที่สองต้องทําให้พอสมัยที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแสวงหาธรรมะท่านไม่รู้ทางที่ถูก ท่านเหนื่อยยากเป็นเวลาหกปีตรงที่ท่านรู้ทางที่ถูกท่านรู้จักคราว่าทางสายกลางขึ้นมาในคำพี ร, รุ่นหลังๆพูดเรื่องว่าพระอินมาดีดผิดให้ท่านฟังพวกเราบางคนไม่รู้จักผิดผิดคล้ายๆกีตา้านะแต่มันมีแค่สามสายตึงไปก็ไม่ได้หย่อนไปก็ไม่ได้พอดีพอดี อย่างพวกเราก็ได้ยินว่าทางสายกลางทางสายกลางแต่แค่ไหนเป็นกลางส่วนนี้อะไรยากมากเลยเราเข้าทางสายกลางให้เป็นก่อน้ะเข้าทางสายกลางไม่เป็นก็ทําไม่ได้เรียกว่าไม่รู้ทางถ้ารู้ทางแล้วก็ต้องทําให้มากพออย่างเช่าชายสิ ท, าทาัตถะบารมีเต็มแล้วพอรู้ทางนะแป๊บเดียวก็หลุดไปแล้วพวกเราบารมีอ่อนกว่าท่านรู้ทางแล้วต้องใช้เวลา เจดวันเดเดือนเจปีเลยต้องทำไปถ้าไม่ทําไม่ได้เรารู้แต่ทางาไม่เดินไม่ได้กินน อ, อกสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางถ้าเราจะศึกษาให้ดีมันจะครอบคลุมเรื่องของไตรสิกขาท่านี้ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเพราะคําว่าทางคือคําว่ามักนะมีองค์8ปตัวจริงแต่ย่อลงมาแล้วก็คือ ศีล ส, สมาธิปัญญาเราจะมีศีลขึ้นมาได้ก็ด้วยศีลสิกขาการศึกษาเรื่องวิธีรักษาศีลเราจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ก็ต้องเรียนเรื่องจิตเรียกว่าจิตสิกขาบางคนนะปูหานมากได้ยินลงข้อสอนเรื่องจิตบอกไม่เอาเรื่องจิตไม่เอาเรื่องจิตไม่ศึกษาเรื่องจิตก็ไม่มีจิตสิกขาจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้อง สมาธิมีสองชนิดหลวงพ่อพยายามย้ำแล้วย้ำอีกกเราบางคนไม่รู้จักส่วนใหญ่ไม่รู้จักสมาธิที่ถูกต้องที่จะใช้เจริญปัญญาองค์มากอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญามันมีได้ก็ต้องมีปัญญาสิกขารู้วิธีที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมา เงิศีลสิษยาจิตศิกขาปัญญาศิษยาเขาจะทำให้เราได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่ถูกต้องศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องนี่แนะคือทางสายกลา ง, งเราดําเนินให้ถูกต้องไม่จะไม่สุดตรงไปข้างตามใจกิเลสไม่สุดโตไปข้างทรมานตัวเองกดข่มบังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้ลําบากไม่เป็นทางสายกลางอย่างการรักษาศีล ถ้าเราไม่รู้จักวิธีรักษาศีลนั้นรักษาศีลยางากเอี่ะก็จะไปขอศีลจับพระอย่างนี้ไม่เป็นคือศีลไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นศีลไม่ต้องไปขอคนอื่นศีลคือเจตนางดเว้นการทําบาปอกภุดศรทางกายวาจาห้าอย่างศีลคือตัวเจตนางดเว้นที่จะทําบาปอกุดศรทางกายวาจาห้าอย่าง เราเจตนางดเว้นเราต้องงดเว้นด้วยตัวของเราเองไม่ให้ไปขอคนอื่นขอศีลขอศีลนั่นเนเหมาะกับคนซึ่งไม่เคยรู้ว่าศีลห้าคืออะไรก็ไปขอบอกให้พระบอกให้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างพระก็บอกให้บอกให้แล้วก็เอาไปทําแต่พวกเรารู้จักศีลห้าอยู่แล้วไม่ต้องขอกับพระก็ได้แต่ขอกับพระก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนการปฏิญาณตัวปฏิญาณตัว มีพระเป็นพยานว่าเราจะรักษาศีลห้าเวลาเราจะทําผิดศีลห้าจะได้ละหายใจมากขึ้นหน่อยได้ยับยั้งชั่งใจเนี่ยศีลเบื้องต้นเลยนะตั้งใจเอาเองไม่ต้องไปขอใครถึงจะไปขอก็คือต้องตั้งใจแล้วแค่มีพยานหรือถ้าไม่รู้ว่าศีลห้าไปเลยก็ไปถามพระพระเขบอกศีลห้าให้แล้วก็ตั้งใจที่รักษาอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความจงใจที่จะรักษาศีล การรักษาศีลนั้นรักษาด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยยากเพราะคนทําผิดศีลได้ตลอดเวลาเพราะว่าสติมันไม่ทันกิเลสทําผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงาจิตได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ก็ไม่ทําผิดศีลอย่างคนจะฆ่าเขาจะทําร้ายเขาเป็นชู้เขานะจะโกหกหลอกลวงอะไรเนี่ยทําไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งสิ้นเลยถ้าเราฝึก จิตฝึกใจฝึกวิธีรักษาศีลให้สูงขึ้นแทนที่จะรักษาด้วยการบังคับตัวเองนะมันเครียดบังคับกายบังคับใจคอยควบคุมตลอดเวลานะมันเครียดมันเหนื่อยมันมีพระวิธีรักษาศีลที่สูงกว่านั้นอีกคือการมีสติรักษาจิตถ้าเรามีสติรักษาจิตเอยู่เราคอยรู้ทันจิตของเราอันเดียวนี้แหละกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันมีสติรู้ทันกิเลสดับไป ไม่มีกิเลสครอบงาําจิตจิตจะทําผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดเลยอย่าอย่าเป็นชู้กับเขาเนราคาครอบงาําเรามีสติรู้ทันราคาราคาดับราคาไม่ครอบงาําไม่เป็นชู้กับใครโทสะครอบงําใจไปทําร้ายขเขาเรามีสติรู้ทันก็ไม่ทําร้ายขเขากิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวทําให้เราผิดศีลท่าได้หมดเลยเวลาราคาเกิดขึ้นก็ไปกินเล่าได้นะ ดีใจเพลิดเพลินเวลาโทสะเกิดขึ้นก็ไปกินเหล้าได้เศร้าโศกเสียใจไม่นั่งกินเหล้าเหงาเงาไม่นั่งกินเหล้าก็ทําผิดศีลได้มีโทสะเกิดขึ้นก็ไปฆ่าไปตีเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งขโมยของเขาไปแกล้งปล้นเขาอย่างนี้ก็ทําได้ไปแกล้งไปชู้กับเมียเขาก็ทําได้ทําด้วยโทสะ ไปปลิ้นปล้อนด่าเขาไปด่าเขาหรือไปแกล้งชมเขาให้เสียผู้เสียคนไปเลยนี่ทาด้วยโทสะก็ได้เศร้าโศกเสียใจมีโทสะไปกินเหล้าเมายาก็ได้มีราค้าก็ทําผิดศีลห้าได้หมดเลยนะมีราค้าขึ้นมาก็ไปปล้นเขาเนี่ยทําร้ายเขาไปแย่งชิงสมบัติเขาไปลักทรัพย์เขาชอบโกงเขาไปเปลี่ยนชู้กับลูกเมียเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาเนยะ มีราคาขึ้นมาจิตใจเพลิดเพลินหลงโลกสนุกสนานกินเหล้าฉลอง็นไทยชอบกินเหล้านะเศร้าใจก็กินเหล้าเสียใจก็กินเหล้าดีใจก็กินเหล้าเจอกันก็กินเหล้านะจะจากกันก็กินเหล้านะกินได้ทุก ง, งานรวมเล้วผิดศีลหมดเลยมีกิเลส ต, ตัวเดียวนะทำผิดศีลห่าได้ทั้งห้าตัว มีโมหะตัวเดียวถ้าไม่มีโมหะราคาโทารศัพไม่มาราคาโทารศัพไม่มีไม่ได้ทำผิดศีลอะไรหรือมีความลงผิดถ้าฆ่าสัตว์แล้วไม่บาปฆ่ า, าสัตว์แล้วเป็นบุญพวกมีจฉาทิจจิตนี้ก็ทําผิดศีลได้เงี้ยให้เราคอยรู้ทันนะหลักการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกถ้าเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อนั้นกิเลส ด, ดับเมื่อไหรสติดับเมื่อนั้นกิเลสเกิด มีหลักอย่างนี้งให้เราคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันบ่อๆพอเรารู้ทันกิเลสพวกกิเลสจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับกิเลสกิเลสดับเองให้กิเลสเกิดร่วมกับสติไม่ได้เหมือนความมืดเราไม่ต้องไปดับความมืดหรอกเราทําความสว่างให้เกิดนั้นความมืดก็ดับเองเราจุดไฟขึ้นมาเราเปิดไฟขึ้นมาความมืดดับเองไม่ต้องไปหาทางดับความมืดไหน กิเลสก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปหาทางดับกิเลสหรอกมีสติขึ้นมาท่านกิเลสก็ดับนะนี่ทํางินสติจะเกิดอ้อนๆให้เกิดมันไม่เกิดออกสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดมันก็ไม่เกิดเป็นอนัตตาต้องฝึกในคำพีของเราก็าสอนไมยละเอียดละอ่อนนะว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเหตุใกล้ให้สติเกิดเรียกว่าทีระสัญญาหอถุงสระอีรอเรือสัญญา ทีระสัญญาคนไทยแค่กว่าสะเฉียนนั่นเองธรรมะทีระหมายถึงว่าจำได้อย่างแม่นยาจำได้อย่างมั่นคงจำสภาวะได้แม่นแล้วสภาวะที่จิตจำได้แม่นเกิดขึ้นสติจะเกิดเองเช่นเราจำความโกรธได้แม่นยาพอความโกรธเกิดขึ้นในจิตแม้แต่เล็กน้อยสติจ ะ, ะระลึกได้เองว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเราจําสภาวะของราคะได้แม่นพอราคะเกิดสติก็จะเกิดเองเป็นอัตโนมัติเลยถ้าจําได้ว่าจิตฟุ้งซ่านเป็ดไงพอจิตฟุ้งซ่านปุ๊บสติจะเกิดเองจะรู้ทันว่าตอนนี้ฟุ้งซ่านนะสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันเบือออ้องต้นเนี่ยมาฝึกให้มีสติให้ได้ก่อนงั้นเรามาหัดรู้สภาวะให้แม่นคนไในขนัดรู้สภาวะทางใจก็รู้สภาวะทางใจไป คนไหนที่โลภก็คยรู้ทันเวลาความโลภเกิดในใจถ้าความโลบหายไปก็รู้ทันงั้นเวลาเรียนเรียนเป็นคู่คู่จิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาคนไหนที่โกรธก็มาดูจิตคู่หนึ่งจิตมีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตไม่โกรธแล้วรู้ทันเหมือนที่ผู้เจ้าสอนจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเป็นเป็นคู่คู่นี้ คนไหนช่างฟุ้งซ่านก็คอยรู้ทันจิตฟุง้งซ่านแล้วจิตก็หายฟุง้งซ่านแล้วก็เข้าคู่กันหรือคนไหนไม่ถนัดดูกิเลสก็มาดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกคนไหนมีความทุกข์มากในใจก็คอยรู้ทันความทุกข์ก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็ไม่คงที่เดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมาอีก เรียนรู้บ่อยจิตจำสภาวะของความทุกข์ได้แม่นต่อไปความทุกข์เขยิบตัวเข้ามาในจิตนิดเดียวสติเกิดเองเป็นตัวรู้ทันเลยว่าทุกข์แล้ว mm. วันไหนมีความสุขมากจิตใจมีความสุขมากแล้วก็มารู้เวลาจิตใจมีความสุขขึ้นมาเราก็รู้ความสุขหายไปเราก็รู้นะต่อไปพอความสุขเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในจิตสติะระลึกได้เองรู้ทันเลยว่าความสุขมาแล้วเนี่ยสติเป็นตัวรู้ทันถ้าไม่มีสตินะ ก็กิเลสเราไปกินหมดเลยถ้ามีสติแล้วขยับบิดนิดเดียวมันจะเกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงว่าความสุขความทุกข์กุศลไมกุศ ล, ศ ล, ศลทั้งหลายมีของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีของบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าตัวปัญญาเบื้องต้นถ้ามันมีสติก่าจะมีสติได้ต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆจนจิตจำสภาวะได้แม่นเมืจจ่อจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเอง ต้องฝึกให้สติเกิดเองอย่าไปบังคับให้สติเกิดทั้งสติทั้งสมาธิปัญญานั้นไม่มีใครสั่งให้เกิดได้เลยกระทั่งวิมุติสั่งให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตบารู้มรรคผลนิพพานของจิตเองเมื่อองค์ประกอบของมันครบสติก็เหมือนกันไม่มีใครสั่งให้จิตมีสติขึ้นมาได้หรอกสติเกิดเองเมื่อองค์ประกอบของมันมนะีอย่างเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆ คนไหนหัดรู้สภาวะทางใจชำนาญ น, นะชอบดูสภาวะทางใจก็ดูไปคนไหนดูสภาวะทางใจไม่เป็นดูสภาวะทางกายหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกใจลอยไปแล้วรู้ทันหายใจเข้าใจลอยไปแล้วรู้ทันนี่อคอยรู้ทันอย่างนี้หรือขยับไม้ขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนสอยขยับมือ ไม่ได้ขยับเพื่อมือเพื่อวิเศษวิโสอะไรหรอกขยับมือเพื่อว่าถ้าจิตไหลไปจิตหลงไปขาดสติแล้วรู้สึกเนาขยับไปแล้วก็รู้สึกขยับไปแล้วก็รู้สึกขยับอย่างนี้ถึงจะขยับเป็นขยับแล้วไปเพ่งนิ่งอยู่ในมือเนี่ยมิจฉาสมาธิไม่รู้จักก็ไม่เพ่งเงาเพ่งเงาหรืว่าเพ่งมากๆเลยบรรลุมรรคผลคนละโลกกันเลยไม่มีทางบรรลุเลยสมาธิเพ่งหลวงพ่อทำอยู่ยี่สิบสองปีชํานาญเลย เรางพ่อเทียนท่านเรียกขย่าธาตรู้นะปลุกความรู้สึกตัวนั่นเองขยับไปแล้วรู้สึกขยับไปแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกในสุวจิตจําสภาวะของร่างกายได้แม่นร่างกายเคลื่อนไหวสติจะเกิดเองร่างกายหยุดเคลื่อนไหวสติจะเกิดเองเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ไปรเริ่มรู้ไปเรื่อยอย่ามัวแต่คิดเรื่องอะไรเพลินเลินอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งๆเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวไป อันนี้จะได้สตนะิส่วนถ้าเคลื่อนไหวแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจะได้สมาธินะเดี๋ได้โคลานนะเอาให้ได้สติก็คือรู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏยขยับมืออยู่แล้วมันรูปมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของมันมันหยุดแล้วก็รู้สึกถึงความหยุดของมันมันเคลื่อนรู้สึกมันหยุดรู้สึก ถ้าอย่างรู้ละเอียดไม่ได้ถึงเคลื่อนถึงหยุดนะแค่ว่ามันเคลื่อนอยู่ก็รู้สึกเอารู้ที่มันเคลื่อนกันต่อไปก็จะเห็นนะมันเคลื่อนก็รู้มันหยุดก็รู้อันนี้ไม่ได้ฝึกเราพิเศษพิโสอะไรการที่เรารู้สภาวะบ่อยๆต่อไปเวลาเราเผลอๆนะพอเราขยับร่างกายปุ๊บสติะระลึกได้เองเลยมาหลายสิบปีมาแล้วแต่หลวงพ่อพานากับหลวงปู่ดูลเข้าใจหลักของการปฏิบัติ ก็เที่ยวออกไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆไปดูหาประสบการณ์องค์หนึ่งที่ไปหาท่านอยู่หลวงพ่อเทียนเข้าไปกราบหลวงพะอเทียนแต่ไม่ได้เข้าไปคุยกับท่านหรอกไปถึงเนี้ยท่านกำลังสอนโยมอยู่ท่านก็นั่งขยับไปบรรยายไปนะโยมก็ขยับไปฟังไปโอ้หลวงพ่อเทียนเนี้ยขยับหลวงพ่เทียนรู้สึกลูกศิษย์ขยับไปไหนก็ไม่รูนะ้พวกหนึ่งก็ขยับด้วยความเคร่งเครียด อีกพวกหนึ่งขยับใจไปไหนหนีออกนอกวัดไปแล้วอีกพวกหนึ่งขยับไปแเรวก็นั่งคิดท่านี้แล้วท่าต่อไปในีาท่านี้ท่านี้อีกพวกหนึ่งขยับแล้วก็ฟังหลนะวงพ่อเทียนแต่ส่วนหลวงพ่อเทียนนัขยับเรารู้สึกนี่หลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกหลกวงพ่อไม่มีเวลาคุยกับท่านนะท่านกับเราสอนอยู่็นั่งตายต้นไม้นั่งขยับขยับเล่นวันหนึ่ง ไม่กี่วันหลังจากนั้นนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนแล้วดีใจไม่เจอมันนานขาดสติพอาขาดสติพุบก้าวเท้าไปเท้าเคลื่อนเท่านันนะเท้าเคลื่อนไหวปับ๊บสติเกิดเองเลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยเห็นรูปที่เคลื่อนไปเห็นร่างกายที่เคลื่อนไปทําไมสติเกิดได้ทั้งๆที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดแค่ร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดก็เพราะเราเคยฝึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึก เหมือนกันนะั่งฝึกดูกายก็ได้ฝึกดูเวทนาก็ได้ฝึกดูจิตี็ได้หัดดูสภาวะบ่อยๆนะคนไหนถนัดดูสภาวะของรูปของกายก็ดูสภาวะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปร่างกายหยุด น, นิ่งก็รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกรู้สึกต่อไปพอล่างกายพขาดสตินะพอร่างกายขยับนั้นจะรู้สึกเองสติจะมาเองเลยคนไหนถนัดดูสุขทุกข์ก็ดูสุขทุกข์ไปสุขทุกข์ในกายสุขทุกข์ในใจ อา ด, ดูเรื่อยๆต่อไปพอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาสติเกิดเองร่างกายเรามีอยู่ตลอดเวลาไหมมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมงั้นเรามีความรู้สึกอยู่ในกายสติจะเกิดได้ตลอดเวลาความสุขทุกข์มีตลอดเวลาไหมมีตลอดเวลาเวทนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงกุศลอกุศลมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เนืองๆยกเว้นจิตบางดวงที่เป็นวิบากจิต จิตที่ออกมากระโดดโลดเต้นเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลเท่านั้นนะดังนั้นถ้าเราหัดรู้กายนะเราก็ดูกายมีสติได้ทั้งวันหัดรู้เวทนานะก็มีสติได้ทั้งวันหัดดูจิตดูกิเลส ด, ดูอะไรนะก็มีสติได้ทั้งวันจิตมีกิเลสก็รู้จิตไม่มีกิเลสก็รู้แค่นี้ก็ไม่มีช่องโหว่ละนึกออกไหมจิตมีกิเลสก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้ทันจิตไม่มีกิเลสก็รู้ทันมันก็คือรู้ทันตลอด ร่างกาย terrain, หายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกก็รู้สึกได้ทางวันละร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกก็รู้สึกได้ทางวันละร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกก็รู้สึกได้ทางวันละมันเป็นแค่วิธีฝึกให้มีสติเท่านั้นเองนะยิ่งพวกเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะแล้วแต่เราถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกคนไหนถนัดรู้กายก็รู้กายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึก ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกรู้สึกบ่อยๆต่อไปเวลาเผลอๆพอร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกขึ้นมาตอนไหนถนัดดูสุขทุกข์ก็ดูไปความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ความเฉยๆหายไปก็รู้ต่อไปพอมีความรู้สึกแปลรปรอมขึ้นในใจนิดเดียวสติเกิดเองเลยเช่นเห็นคนนี้ขึ้นมามีความสุขเห็นดอกไม้สวยงามมีความสุขปุ๊บสติระลึกได้เลยว่ความสุขเกิดขึ้นแล้ว หรือคนไหนดูกิเลสกิเลสแรงๆดูราคะคนไหนราคามากดูราคาเป็นหลักทั้งวันจิตมีสองชนิดท่านนั้นเปจิตมีราคากับจิตไม่มีราคะคนไหนขี้โกรธก็ดูจิตโทสะทั้งวันจิตมีสองชนิดคือจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะคนไหนฟุ้งเก่งก็ดูไปจิตฟุ้งแล้วจิตก็รู้สึกจิตฟุ้งแล้วจิตก็รู้สึกนะถ้าไม่ฟุ้งหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสติจะเกิด เรามีสตินะต่อไปพากิเลตเกิดที่จิตเรารู้ปั๊บนะกิเลตดับกิเลตดับสีนะัตโนมัติจะเกิดนี้มาฝึกต่อให้ได้สมัครทิเราต้องมีสติเป็นเครื่องมือนะถ้ามีสติโลงพ่อเคยเจอโลงพ่อคำเขียนตอนนั้นไปเจอท่านครั้งแรกท่านเป็นมะเร็งไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลไปถึงไปไหว้ท่านตาบท่านท่านก็คุยธรรมะด้วย แล้วท่านก็เล่าว่าท่านไปเทศที่แห่งหนึ่งที่เทศที่แห่งหนึ่งพอเทศเสร็จท่านสอนเรื่องมีสตินี่แหละเขาก็มาว่าท่านว่าทําไมไม่สอนให้คนรักษาศีลต้องสอนรักษาศีลศีลทาไมไปสอนแต่เรื่องสติท่านหัวเราะนะเล่าให้หลวงพ้อฟังแล้วท่านก็หัวเรวาะบอกเขาก็พูดถูกของเขานะแต่เราก็ถูกอย่างเราเนะาะจันปมโมน์เนาะ มีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้นะถ้าขาดสติตัวเดียวอย่าไปคุยเลยเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่เหลือสักตัวกิเลสเอาไปกินแล้วมันจะมีอะไรศีลสมาธิปัญญายานฝึกสติให้ดีนะแล้วใช้สติเป็นเครื่องมือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมากิเลสเกิดที่จิตรู้ทันพบกิเลสดับศีลจะเกิดอัตโนมัตินะไม่ต้องข่มใจเลยเพราะกิเลสกระเด็นไปแล้วนะสบายอย่างนี้เรียกว่าศีลสบาย ศีลมีหลายระดับนะศีลที่ตั้งใจรักษาเป็นข้อๆนี่กศีลลาบากแต่ต้องตั้งใจไว้ก่อนสําหรับคนไม่มีสติถ้ามีสติแล้ศีลจะขยบขึ้นไปเป็นอินทรียสังวรศีลเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกเกิดที่จิตมีสติรู้ทันกิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้เมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกกิเลสต่างๆเกิดที่จิตมีสติรู้ทันกิเลสครอวามจิตไม่ได้ศีนอัตโนมัติไม่เจะเกิดนะถือศีลอย่างนี้น่าจะสบายถือศีลง่ายไม่ลําบาก เน้่ฝึกไปนะต่อไปก็มาพัฒนาสมาธิบทเรียนที่สองคือการที่ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ต้องเรียนเรื่องจิตให้ชำนิชำนาญเพราะฉั้นบทเรียนที่ทําให้เกิดสมาธิถึงเรียกว่าจิตสิกขาบางคนวาคะนะวะทะมากได้ยินหลวงพ่อสอนเรื่องจิตเรื่องจิตไม่เอาเหมือนได้ยินหลวงพ่อคำเีสกสอนเรื่องสติไม่เอาอะไรเงี้ยเอาสีสมาธิปัญญาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอุปกรณ์สําคัญ ต้องเรียนเรื่องจิตแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องสิ่งที่เรียกว่าจิตคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าจิตคือธรรมชาติที่เป็นผู้รู้อารมณ์เป็นตัว subject จิตคือตัวที่ไปรู้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นตัว object subject object จะคู่กันจิตกับอารมณ์เป็นของที่ต้องคู่กันเสมอที่ใดมีจิตที่นั้นมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั้นมีจิตคาว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้ อาจจะเป็นรูปก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นเรื่องราวทางใจก็ได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมารมณ์นี่เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนไปรู้มันการที่เรียนเรื่องจิตศิษยาเนี่ยเราต้องรู้จักว่ามีจิตกับมีอารมณ์เป็นของคู่กันสมาธิก็มีสองแบบสมาธิชนิดที่หนึ่งที่คนทั้งโลกก็รู้จักกันที่ศาสนาอื่นๆเขาเป็นที่ศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ที่ว่านั่งสมาธินั่งสมาธิก็จะทําสมาธิชนิดที่1นี่แหละสมาธิชนิดที่1ก็คือจิต น, นี่นเคลื่อนไปเกาะอยู่ที่ตัวอารมณ์เป็นปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตที่ไม่มีสมาธิเลยก็คือจิตที่จับอารมณ์นิทีกระโดดไปห า, ารมณ์นุ้นทีกระโดดไปห า, ารมณ์นิทีฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆจับอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆส่วนจิตที่มีสมาธิชนิดที่1นั้นจิตมันจะเคลื่อนไปเกาะอยู่ที่อารมณ์มันเดียว เช่นมันเยับมืออยู่นะจิตไปเคลื่อนไปอยู่ที่มือไม่หนีไปที่ไหนเลยจิตไปอยู่ที่มือแน่วแน่อยู่ที่มือต้องรู้นะนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วสมาธิชนิดที่หนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิเพ่งอารมณ์สมาธิชนิดเพ่งอารมณ์นี้เอาไว้ทําสมถกรรมฐานก็นเอาไว้ทํางานทางโลกไม่ได้ทํามิปัสนานะเพราะนั้นไปนั่งเพ่งอยู่ที่มือแล้วบอกวันหนึ่งจะเกิดปัญญาคนละเรื่องเลยคนละโลกเลยไม่เข้าใจการปฏิบัติเลยนั่นะน่ะมัว่วซั่วเลย มันมีสมาธิชนิดหนึ่งนะก็คือสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเห็นไหมมันมีจิตกับอารมณ์อันนึงนะจิตไหลเข้าไปเกาะที่อารมณ์อันเดียวเห็นสมถะอันหนึงจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากเหมือนเราดูละครนะตัวละครแสดงไปแเราก็ไปเข้าโรงไปตัวนี้ออกมาตัวนี้ไปหมุนเวียนเราเป็นแค่คนดูนะสมาธิชนิดนี้แหละที่เรียกว่าลักขนูกนิชาน เป็นสมาธิที่จะใช้ทําวิปัสนากรรมฐานและเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยผลและเป็นสมาธิที่พระอริยบุคคลใช้เข้าพระสมบัติเข้าผลสมบัติไม่ใช่สมาธิที่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะบางคนเป็นกาหนดว่างสอนกันนักหนานะทุกวันนี้ยชอบสอนนะไม่ยึดอะไรสัอย่างจิตว่างจิตว่าง ก็ไปยึดความว่างจิตไหลไปอยู่ในความว่างความสว่างความว่างแล้วเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์เพราะว่าความว่างความสว่างเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรียกว่าอารมณ์กลายเป็นสมาธิเพ่งอารมณ์สมาธิออกนอกทั้งสิ้นเลยนะนั่นต้องระมัดระวังนะอย่างไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่สมาธิออกนอกนะสมาธิที่ไปอยู่ที่ลมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมแล้วเป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งอารมณ์ลงปัญานิชานขยับมือจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือไปนิ่งอยู่ที่มือไม่หนีไปไหนเลยนะ ถ้าเป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งคือสมาธิเพ่งอารมณ์อารามโนปนิชฌานพุโทโธพุโทโธจิตไปเกาะพุโทโธไม่ยอมไปไหนเลยเดินจงกรมจิตไปเกาะอยู่ที่เท้าไม่ไปไหนเลย <instr Ident ity> เห็นท้องฟองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องไม่ไปไหนเลยจิตเคลื่อนไปอยู่ที่โน้นที่นี่ที่โน้นที่นีน่ น, นนะถ้าเคลื่อนสเตสป่าเรียกว่าฟุ้งซ่านถ้าเคลื่อนไปอยู่ในที่อันเดียวเรียกว่าอารามโนปนิชฌานส่วนจิตที่เป็นรักขโนปนิชฌานเนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นสั่งให้เกิดไม่ได้ แต่อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนี่หลวงพ่อเทียนท่านถึงสอนนะว่าถ้ารู้ทันจิตรู้ทันว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติจิต ท, ที่เคลื่อนไปนั้นเคลื่อนไปดูรูปก็ได้ไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเคลื่อนได้หกช่องทางแต่ที่เคลื่อนบ่อยที่สุดคือเคลื่อนไปคิดเคลื่อนทางใจหนี้ไปคิด หลวงพเตียนถึงเจาะเอามาที่จิตคิดโลวงูดูลก็เจาะลงมาที่จิตคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดไม่ได้ห้ามความคิดนะไม่ได้ห้ามคิดห้ามคิดเ่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยจิตคิดไปแล้วรู้มีสติรู้ทันว่าจิตคิดจิตที่คิดจะดับนะจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นชั่วขณะเกิดชั่วขณะเท่านั้นเองจิตรู้เนี่ยเกิดได้สองวิธีหนึ่งทำฌานจะได้จิตรู้ที่ต่อเนื่องยาวนาน แต่ว่าไม่เกินเจดวันนะถ้าใช้สติะระลึกรู้จิตที่เคลื่อนไปปุ๊บจิตหนีไปคิดรู้ทานปุ๊บจิตจะตั้งมั่นแต่จะตั้งชั่วขณะเท่นั้นเองเรียกคณิกะสมาธิแต่แค่นี้ก็พอที่จะทําวิปัสสนาละนะงั้นพวกเราต้องมาฝึกนะทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดแต่ไม่ได้ทําแล้วน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอนั้ น, น, นไม่น้อมจิตไปอยู่กับพุโทโธไม่น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่น้อมจิตไปอยู่ที่ท้องที่มือที่เท้า ไม่น้อมจิตไปหาความว่างไม่น้อมจิตไปหาความสว่างไปหาแสงไปหาพระพุทธรูปหาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าจิตไหลไปอยู่กับพุทโธรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปถ้าจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตไปอยู่ที่มือรู้ว่าจิตไปอยู่ที่มือจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไปอยู่ที่ท้องนะจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดไม่รู้ทันอย่างนี้เรื่อยรู้ทันจิตเรื่อยนี่ถึงเรียกว่าจิตตะศิขา สิ่งที่ได้ก็คือจะได้จิตที่ตั้งมั่นมันได้ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งแต่ว่าพอมันเคลื่อนรู้สติระลึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนเท่านั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะเราจะต้องฝึกจนได้สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติศีลอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินะอริยมรรคถึงจะเกิดถ้าไม่มีอัตโนมัตินะยังจงใจอยู่จงใจความจงใจนี่แหละเรียกว่ามโนสัญญาเจตนาสิ่งที่ เป็นผลของมโนสัญญาเจตนาคือพบคือการจะทํากรรมของจิตเพมื่อนั้นถ้ายัางจงใจอยู่จิตจะไม่สร้างพบไม่มีมรรคผลหรอกต้องฝึกจนมานนอัตโนมัตินะสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องฝึกให้อัตโนมัติเลยนะ น, น้เทศได้แค่นี้เนาะไม่ถึงปัญญารวความแล้วคือมาสังเกตจิตใจนะจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ในลมันเดียวก็รู้ เราจะได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเพื่อเอาไปเจริญปัญญาถ้าไม่มีจิตอย่างนี้ไม่มีมรรคผลเลยนะไม่ได้เรื่องเลยจิตจะไปคลุกอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลากิเปอย่างมากที่สุดก็คือเป็นสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสงบอยู่ในอารมณ์เดียว้เข้าฌานได้นะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดส่วนจิต ท, ที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตก็เข้าฌานได้หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจดแปดแต่มันอยู่กันคนละที่นะเข้าไปคนละฝั่งนะ อันหนึ่งอยู่ในฝั่งของสิ่งที่ถูกรู้อันหนึ่งตั้งมั่นเป็นคนรู้อยู่เข้าชาญได้เหมือนกันนะแต่ว่าฌานนั้นไม่เหมือนกันคนละแบบต้องเรียนนะไม่เรียนไม่รู้ด้วยตัวเองหรอก